เจริญพรโยมวันนี้หลวงพ่อแม่สบายนะนี่ถ้าเป็นโยมนะลาลาป่วยไปแล้วเป็นพ้านะป่วยก็ไม่ได้นะแก่ก็ไม่ไม่มีกระเสียนอีกเมื่อก่อนอยู่บางการมีวันหนึ่งไปบินทบาทโยมคนหนึ่งเข้ามาใส่บาตรนะบอกเขาป่วยเรื่อย ขอตักโรคภัยไข้ขเจ็บใส่บาทหลวงพ่อไป <c oughs> อีกวันหนึ่งเราไม่สบายไปตอนนั้นครูบาอาจารย์ยังไม่บวชพระอาาไปบอกชาวบ้านไหนะวันนี้ไปไม่ไหวแล้วไปบอกผู้หญิงคนนี้นะแกอุทานด้วยความตกใจนะเอ๊ะพระก็ป่วยได้เหรอจะเห็นพระเป็นมนุษย์ประหลาดไปแลนะ้ว ในชีวิตเรามันไม่มีแต่ความไม่แน่นอนนะแข็งแรงอยู่ปุ๊บ ป, ปั๊บปุทีก็ป่วยไปละวนะชีวิตเรานี้มีแต่ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะ้โลกมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาพวกเรามหาตภาวนาเนี่ยเพื่อมาเข้าใจความจริงของชีวิตเข้าใจความจริงของโลกชีวิตเราหรือโลกนี้มันก็มีแต่ความจเจริญแล้วก็เสื่อมนะ มีลาบแล้วก็เสื่อมลาบมียศแล้วเสื่อมยศมีสรรเสริญแล้วก็มีนินทามีสุขแล้วก็มีทุกข์ไม่มีใครหนีพ้นนะกระทั่งพระพุทธเจ้าของเราอย่างคนจะนินทาท่านก็มีนะคนสรรเสริญท่านก็มากอนะไรเงี้ยเอาได้เอาหนอนไม่ได้หรอกนะบางทีท่านก็ต้องเจ็บป่วยเหมือนกันบางครั้งท่านก็ไม่สบายนะฉะนั้นยังมีกายมีใจก็ยังเรียกว่ายังอยู่กับโลก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 ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ดังสมัยนอนใครจะปลูกเศษพระนิมนต์หลวงพ่อเที่ยงมานี่ทางวัดสุทัศน์หรืออะไรจาไม่ได้แล้วเขานิมนต์มาทหารเขาทําพิธีพุท ธ, ธาพิเศษอะไรเงี้ยพอทาพิธีเสร็จนะทหารคนหนึ่งก็ไปกราบท่านบอกหลวงปู่ครับผมเป็นพันเอกมานานแล้วไม่ได้เป็นในพลธีขอให้ผมได้เป็นในพลธีเถอะครับท่านบอกโง่อย่างเงี้ยถึงไม่ได้เป็น อยากเป็นในคนที่ไปขอนายสิมาขอพระทำไมต้องสมเหตุสมผลนะวันนี้ท่านสมเหตุสมผลจริงๆถ้าเป็นในคนตอนนั้นตอนนี้ก็กเกษียณแล้วก็ไม่ได้เป็นแล้วเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเรานี่นะมันเป็นของที่มีอยู่แค่ชั่วคราวเท่านั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเรานี่เป็นแค่ของชั่วคราวถ้าเรายอมรับความจริงตรงนี้ได้เราจะไม่ทุกข์ อย่างเรายอมรับความจริงได้ว่ามีราบแล้วก็ต้องเสื่อมราบเนี่ยเวลาไม่ได้รับผลประโยชน์ขึ้นมานะก็ไม่กลุ่มใจเท่าไหร่มันยอมรับความจริงได้นะรวยขึ้นมาใช่ไหมถ้าฟองสบู่แตกจนลงมาเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้ใช่มเนื่อชีวิตมันเป็นอย่างนี้ถ้าเรายอมรับได้เราไม่ทุกร่างกายแข็งแรงอยู่วันนี้ป่วยไปลนะถ้ายอมรับได้นะก็ไม่ทุกมากเท่าไหร่อย่าบางคนนะหมอไปตรวจร่างกาย ประจำปีตรวจร่างกายประจำปีเป็นมะเร็งขึ้นมานะมีความทุกข์นะเพราะยอมรับไม่ได้อะอยากจะแข็งแรงตลอดกาลนะเพราะงั้นมันอยู่ที่ใจเราอยอมรับความจริงได้ไหมว่าชีวิตมันเป็นอย่างนี้แหละนะได้มาก็เสียไปนะะเจริญแล้วก็เสื่อมไปเป็นธรรมชาตินี้ทํำยังไงเราจะค่อยๆพัฒนาใจของเราให้ยอมรับความจริงของชีวิตได้อันนี้แหละคือการปฏิบัติธรรมละ ถ้าเราปฏิบัติธรรมนี่ก็คือเรามาเรียนรู้ความจริงของชีวิตเรียนรู้ไปจนวันหนึง่งยอมรับความจริงได้ทุกอย่างผ่านมาแล้วก็ผ่านไปถ้ายอมรับความจริงตัวนี้ได้ความทุกข์ก็จะค่อยๆหายไปการปฏิบัติธรรมก็คือการมาเรียนรู้ความจริงของชีวิตเราไม่ต้องไปเรียนที่อื่นเรามาเรียนอยู่ที่ตัวเราเองที่กายที่ใจนี่แหละสาคัญที่สุด ก็เวลามีลาบใครมีลาบใช่ก็ตัวเรามีลาบเวลาเสื่อมลาบใครเสื่อมล่ะก็เราเสื่อมลาบใช่มมียศก็เรามียศใครเสื่อมยศล่ะก็เราเสื่อมจากยศอีกคนนินทานินทาใครนินทาเราสารเสริญใครสารเสริญเราอีกมีความสุขใครสุขเราสุขใช่มมีความทุกข์ใครทุกข์เราทุกข์อีกเนี่ยถ้าเรามาเรียนความจริงนะจนกระทั่งเห็นความจริงว่ามันไม่มีเราหรอก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 ถ้าเห็นอย่างนี้ได้ซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกไปวันหนึ่งจิตก็ยอมรับความจริงว่าทุกอย่างนะกระทั่งสิ่งซึ่งเกิดขึ้นในกายในใจนี้ยังชั่วคราวเลยนะพอมันไ ม, ไม่ไม่ค่อยยึดถือกายยึดถือใจแล้วของอื่นๆภายนอกก็เรื่องเล็กไปด้วยนะกระทั่งกายยังไม่ยึดถือเลยไปยึดถือของข้างนอกกายทําไมเห็นไหมกระทั่งจิตใจอังไม่ยึดถือไปยึดถือของนอกจากจิตใจทําไมก็ไม่ยึดถืออะไรความทุกข์ก็ไม่มีหรอกความทุกข์ก็ลดลงลดลงนะ นี่การจะมาเจริญปัญญาเนี่ยเจริญปัญญาให้เห็นความจริงของกายของใจเนี่ยอยู่ๆจะมาเจริญปัญญานี่มันทํายากถ้าพวกเราปรารถนาที่จะเจริญปัญญานะเราก็ทําตามหลักสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นะสำหรับฆราวาสเนี่ยท่านสอนทานศีลภาวนานะถ้าสอนพระเนี่ยท่านมักจะสอนศีลสมาธิปัญญาฆนะราวาสเราเป็นฆราวาสนะเราเรียนเรื่องทานก่นทานไม่ใช่แค่ การเสียสละทรัพย์สินเงินทองเข้าของอย่างเดียวหรอกนะอันนั้นทําไปก็เพื่อลดความเห็นแก่ตัวเพื่อสงเคราะห์คนอื่นเพื่อพัฒนาจิตใจให้เกิดความเมตตานะพัฒนาจิตใจให้ลดความตรณีลงทานไม่ต้องเสียสตังก็มีเยอะแยะนะเช่นคนด่าเราเราอาภาัยให้เขาไม่โกรธเขานะใจเราก็ร่มเย็นเป็นสุขขึ้นมาเห็นไหมอาภัยได้อาภัยได้จิตใจมีความสุขใครเคยโกรธคนอื่นนานๆไหม เวลาโกรธแล้วไม่มีความสุขนะถ้าเราอาภัยได้เรามีความสุขอย่างคนมาดา่าเรานะเราไม่โกรธตอบนะอภัยได้นะโอ้น่าสงสารนะโคงจะคอแห้งแน่เลยดา่าเรานานแล้วน่าสงสารนะ <laughs> อย่างนี้พอเราใจมีสงสารขึ้นมานะใจไม่โกรธตอบนะใจมีความสุขเห็นไหมอภัยได้ก็มีความสุขนะอย่างเรามีความรู้เรามีความสามารถอะไรคนอื่นเขาไม่มีเราสงเคราะห์เขาเราให้ความรู้นะบอก ให้ความรู้เขาให้วิชาการเขาอะไรอย่างเนี้อันนี้เรียกว่าธรรมทานนะอย่างเขาไม่มีธรรมะเราให้ธรรมะเขาทำมาหากินไม่เป็นเราก็สอนวิธีทำมาหากินให้อะไรอย่างนี้อันนี้เป็นการให้ความรู้นะเมื่อก่อนมีคนหนึ่งนะชื่ออะไรลุงเผาขายอาชีพออย่างนี้เขาก็ทำประโยชน์นะนะเขาก็ไปหาวิชาความรู้มามาสอนคนอื่นอะไรย่างนี้ คนอื่นก็เอาวิชาความรู้ไปทำมาหากินได้อย่างนี้มีประโยชน์ใช่ใครเคยเรียนหนังสือแล้วก็เจอเพื่อนที่ห่วงเลคเชอร์มีไหมวรามันห่วงจริงๆนะขอไปซีหลอกหน่อยหนึ่งก็ไม่ให้แนละ้วเนี่ยพวกนี้ไม่รู้จักทาให้ความรู้คนอื่นเลยนะถ้ารู้จักให้นะชีวิตมีความสุขถ้ารู้จักให้แล้วได้เพื่อนนะได้เพื่อนลดอะไรลดความเห็นแก่ตัวลง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 ค่อยๆเสียสลาไปเสียสลาไปก็ลดความเห็นแก่ตัวลงนะถัดจากนั้นเราต้องมาถือศีลให้ดีนะคือไม่ใช่ถัดจากนั้นหรอกพร้อมๆกันนั้นแหละก็ต้องถือศีลไปด้วยศีลคืออะไรศีลคือการจัดระเบียบชีวิตนะจัดระเบียบชีวิตให้มันสงบสุขคนมีศีล น, นะจิตใจจะสงบสุขถ้าคนไม่มีศีลจิตใจจะวุ่นวายอย่ยเราคิดจะฆ่าใครนะจิตใจจะวุ่นวายเราเมตตาคนอื่นนะจิตใจสงบสุข เราคิดจะขโมยเขาวุ่นวายนะเราคิดให้เขาเนี่ยเราไม่วุ่นวายมีความสุขนะเราซื่อสัตย์ในคู่ของเราก็ไม่ต้องวุ่นวายไหมเราไม่ซื่อสัตย์มันก็วุ่นวายมีปัญหาอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยเราโกหกเราก็ต้องใช้ความจำมากมายถ้าเราพูดความจริงไม่ต้องใช้ความจำมากเนื้อเรามีศีลเนี่ยเพื่อจัดระเบียบชีวิตให้มันสงบสุขชีวิตที่มันเรียบร้อยชีวิตที่ไม่วุ่นวายยุง่งเหยิงเป็นชีวิตที่พร้อม ก, กับการที่จะพัฒนาจิตใจในขั้นต่อไป การพัฒนาจิตใจเรียกว่าการภาวนานะพัฒนาจิตใจของเราขึ้นไปสําหรับค า, ารวะเนี่ยครูบาอาจารย์เคยสอนมานะค า, ารวะเนี่ยวิธีที่จะภาวนาที่ง่ายๆนะมีสติรู้ทันจิตของเราไปนะถ้าเราเห็นจิตมันขยับกระยื่นเคลื่อนไหวเห็นจิตสุขจิตทุกข์จิต ด, ดีจิตชั่วนะเราคอยตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆนะจิตจะค่อยๆสงบจิตจะค่อยๆตั้งมั่นขึ้นมา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 เราก็มาดูหาวิหารธรรมอย่างหนึ่งของจิตเช่นจะอยู่กับพุทธโธก็ได้คนไหนเคยฝึกพุทธโธก็อยู่กับพุทธโธคนไหนเคยฝึกรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจไปคนไหนเคยดูท้องของยุบก็ดูท้องของยุบคนไหนเคยขยับมือแบบสายหลวงพ่อเทียนก็ขยับไปดูสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยๆเรียกว่ามีวิหารธรรมแต่ไม่ใช่ไปเพ่งอยู่ในอารมณ์เหล่านี้วิหารธรรมแปลว่าบ้านวิหารธรรมไม่ได้แปลว่าปุก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 อะไรๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทั้งสิ้นการที่เห็นอย่างนี้แหละเรียกว่าเราหัดเจริญปัญญาอยู่นะกุศลอะกุศลก็ผ่านมาผ่านไปเหมือนกันนี่เราเฝ้ารู้นะรู้อยู่ในกายเห็นกายที่เคลื่อนไหวอ ย, อยู่เห็นกายที่หยุดนิ่งอยู่ไม่ใช่ตัวเรารู้เวทนาก็เห็นเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเห็นสังขารที่เป็นกุศลอ่ะกุศลนะก็รู้ว่าไม่ใช่ตัวเราเนี่ยฝึกอย่างนี้มากๆนะ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 โชกุนนี้ทําไมมันแพ้เด็กตลอดก็ไม่รู้เนาะไม่รู้มันเป็นโชกุนได้ยังไงอีกคิวสั่งนะเอาพัดมาอันหนึ่งเราไม่มีพัดมีพัดอยู่หนึ่งงานนะข้างหนึ่งเขียนรูปกลงรูปกลงนะกลงสําหรับครอบสัตว์อีกข้างหนึงเขียนนกใช่ไหมแล้วมันก็หมุนอย่างเนี้ยหมุนอย่างเงี้ยหมุนเงนี้ยไม่จะเห็นเป็นนกอยู่ในกลงถามว่ารูปนกกับรูปกลงนี่คนละรูปใช่ไหมแต่พอมันเกิดดับสืบเนื่องกันรวดเร็วเรารู้สึกเป็นรูปเดียวกันแนละ้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 ทั้งๆ ท, ที่มันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาอาศัยสัญญามาหลอกลวงเราเราก็คิดว่ามันยังอยู่ไม่จําแสงเก่าได้ต่อกระแสงใหม่ได้มันจำเอาจิตนี้ก็เหมือนกันนะมันเกิดดับตลอดเวลาแต่อาศัยความจํำเราก็เลยคิดว่าเป็นตัวเก่าสัญญานี่แหละเป็นตัวหลอกลวงเป็นตัวหลอกลวงปิดกั้นปัญญาไม่ให้เกิดขึ้นมานะแล้วเรามีสติคอยรู้เลาไป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 ถ้าเราภาวนาเป็นเราจะเห็นว่าขาอยู่ส่วนขานะความปวดอยู่ส่วนความปวดเป็นคนละขันกันจิตที่เป็นคนไปรู้ก็เป็นอีกขันหนึ่งคนละตัวกัน <eden> ขาก็ไม่ได้ปวดจิตก็ไม่ได้ปวดนะความปวดเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาอยู่ในขาเท่านั้นเองนะเนี่คยค่อยๆรู้ไปมันจะมีความทุกข์ความทุกข์ยังมีอยู่แต่ว่าไม่มีคนที่เป็นทุกข์นะขันมันเป็นทุกข์อย่างขามันปวดนะแต่ว่าไม่ใช่เราปวดหรอกไม่มีเราปวดนะ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 แล้วเราก็ค่อยๆฝึกไปเป็นคารวะก็มีฐานอยู่ในโลกก็ต้องมีฐานใช่ไหมเดี๋ยวก็ทะเลาะกับคนโน้นทะเลาะกับคนนี้รู้จักไหมทะเลาะใครไม่เคยทะเลาะกับคนอื่นมีไหมใครเคยทะเลาะกับคนอื่นมีไหมจะต้องถามกลับข้างไม่โยกอ่ะเวลาเราให้อภัยนะ <S <S <S เรียกว่าเราทาทานนะคนนี้ไม่รู้ไม่มีความรู้เราก็ให้เขานี่เราก็ให้วิทยาฐานใช่ไหม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 เอาเท่านี้ก็รักกันน้ำมัสมานพระอาจารย์เจ้าคะอยากจะถามคําถามสองข้อนี่เจ้าคะรู้สึกว่าตัวเองหลงตัวเองว่าตัวเองเข้าใจในสภาว่าธรรมที่เข้ามาในอายตนนับหกนะฮะมันไม่เที่ยงเกิดเพื่อนั่งอยู่แล้วดับไปยเอมัอนหลวงพ่อเทศเมื่อปีนี้เลยนะฮะเรารู้ตัวเองรู้ว่าเราเข้าใจไม่ทราบว่าเราเข้าใจจริงด้วยว่า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 อย่างตอนเนี้ไปทางไหนอ่ะไปทา ง, งใจงใช่ไหมไหลไปทางใจเราก็รู้ว่าไหลไปทางใจแล้วฝึกอย่างนี้รู้ไปได้่อเลยเราจะเห็นว่าจิตที่เกิดที่ใจก็ดวงหนึ่งนะจิตที่ไปทางตาก็อีกดวงมันพละานกันฝึกรู้อย่างนี้บ่อยๆแล้วดีแล้วแล้วอีกข้อหนึ่งเจ้าคะ่ะจะเป็นคนที่ชอบนั่งสมาธิะอะค่ะไม่ทราบว่าทุกวันนี้ฝึกถูกทางไหมจ้ะคะมันเคลิ้มไปนิดนึงนะ พยายามรู้สึกตัวให้เยอะขึ้นนิดหนึง่งเรียกสมาธิมันล้าหน้าไปมันซึมนะพยายามรู้สึกตัวรู้สึกตัวเพิ่มสติขึ้นหน่อยเพราะฉะนั้นะ เ, เวลาเราหายใจนะหายใจด้วยความรู้สึกตัวไม่ได้หายใจให้เคลิมนะหายใจแล้วก็รู้สึกตัวหายใจแล้วก็รู้สึกตัวใจหนีไปคิดก็รู้กรลาบนละมรสการของพ่อค่ะอ้ า, อาอว่าไป ก็ขอให้สุขภาพหลวงพ่อหายไวนะคะโอ้มันขอไม่ได้ดอกมันเป็นไปตามเหตุนะอย่างมีเชื้อโรคชนิดนี้เนี่ยมันต้องอยู่กี่วันอะไรเงี้ยนะก็ฟังซีดีอ่านหนังสือของหลวงพ่อมาได้ประมาณสองึสามเดือนนะคะก็เริ่มปฏิบัติเลยค่ะหลวงพ่อก็มันมีประโยคคะ่ะที่หลวงพ่อพูดในซีดีว่ายากดีมีจนก็เสมอภาคกันน้ำห้าไหลเลยคะ่ะหลวงพอ่อ ก็บางทีฟังแล้วก็ขำถามก็รู้นะคะหลวงพ่อือมก็ฝึกฝึกแบบจิตจะรู้ว่าจิตหลงไปแล้วก็รู้นะคะหลวงพ่อแล้วก็จะรู้สึกกายมากกว่ากับหลวงพ่อเพราะว่า <c oughs> มันจะรู้ลมหายใจนะคะหลวงพ่อ <c oughs> ถ้าเกิดเผลอไปประมาณห้าสิบห้าถึงสิบนาทีก็จะรู้ลมขึ้นมาค่ะดีสิ <c oughs> นะเอาลมเป็นฐาน <c oughs> เป็นเครื่องอยู่รู้ลมไปแล้วใจหนีไปแล้วรู้ใจหนีไปรู้ <c oughs> ฝึกนี้นะคีะ ห, หน่อยพอ พอใจมันหนีไปมันลืมลมเพราะมันลืมลมปุ๊บมันรู้เลยว่าลืมไปแล้วใช่ไอมใช่ได้ก็รู้ว่าอย่างเช่นเราเดินก็รู้ว่าร่างกายมันเดินใช่ไหมหลวงพ่อแต่เวลานั่งสมาธิหลวงพ่อมันจิตมันจะชอบนิ่งนะคะหลวงพ่อแล้วมันจะรวมมันไม่ได้คิดนะคะหลวงพ่อบอกว่าให้ไอ้นั่นเป็นสมถะว่าให้มันพักไปสมถะเพราะทําได้ไม่ใช่ไม่ทํานะครูบาอาจารย์เคยสอนนะว่าสมถะเขาทำนะ แต่ไม่ใช่ทํานานทําไปยาวนานหลายๆปีไม่ยอมเดินปัญญาอย่างนั้นทําสมาธอย่างนี้ช้าใช้ไม่ได้ถ้าเดินปัญญาด้วยการคิดเอาเรื่อยๆมันก็ฟุ้งซ่านคิดนิดๆหน่อยๆได้นะเวลาที่จิตเราไปติดนิ่งติดเฉยให้คิดพิจารณานิดหน่อยๆได้ช่วยคิดเหรอคะช่วยคิดตอนที่จิตติดนิ่งอ่ะแต่ถ้าจิตยังคลาดปรักเปรียวคล่องแคล่วอยู่อย่าไปคิดเอามีสติตามรู้ตามดูกายดูใจแยกธาตุแยกขันไปเรื่อย แล้วไหลวงพ่อก็ตอนตอนระยะนั้นมันรู้สึกว่าจะตึงๆนะตรงตหน้าผากค่ะหลวงพ่อนั่นแหละมันไปบังคับใจนะจบงนังคับมา ก, กไปเวลาทาสมาธินะทำด้วยความรู้สึกตัวอย่าเริ่มต้นโดยอยากให้จิตสงบถ้าเริ่มต้นโดยอยากให้จิตสงบส่วนใหญ่จะไปเพ่งเพ่งแล้วจะเครียดขึ้นมานะตึงๆหน้าผากบ้างบางคนก็ปวดลูกตานะอย่างนั้น่ะมันเครียดไปดูให้สบายสบาย สังเกตไหมใจเราฟุ้งซ่านเก่งค่ะแล้วก็วหวให้รู้ทันเวลาใจฟุง้งซ่านรู้บ่อยๆนะอะต่อไปกลับเขา้ขาขพูดกันเมื่อเดินนิทนหลวงพ่าบอกว่าเจ็ดหลูงไม่ตั้งมั่นอแล้วระหว่างที่หลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลวงก็รู้สึกว่าตั้งบั่นขึ้นมาบ้างแล้วก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจบางอย่างเกี่ยวกับการปฏิบัติ แต่พอปฏิบัติต่อมาอีกก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วก็ช่วงนี้รู้สึกว่าความคิดอะไรจะเยอะมากค่ะมไม่ลาคิดไปแล้วเกิดกิเลสรู้ไหมทราบค่ะยิ่งเมัเ้ยมกิเลสส่วนใหญ่วิ่งหลังตามความคิดม า, าใช่นะเพราะงั้นพอมันคิดไปแล้วเกิดโลภให้มารู้ทันเกิดโกรธขึ้มารู้ทันฟุ้งซ่านรู้ทันหดหูรู้ทันนะรู้ทันนี้บ่อยๆก็ใช้ได้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 ยิ่งแต่เราเป็นคนคิดมากจิตมันทํางานทั้งวันคอยรู้ทันมันบ่อยๆการบ้านของหนูก็คือรู้จิตใช่ไหมคะรู้ทั้งกายทั้งจิตแล้ว อ, อยากขอคำชี้แนะจากหลวงพ่อคะ่ะขอคำชี้แนะค่ะเหรอจะให้ชี้เรื่องอะไรอ่ะืต้องการอะไรล่ะตอนนี้หนูปฏิบัติต้องปรับลงอะไรหรือเปล่าคะ ก็ต้องพัฒนาไปด้วยนะเราวิธีปฏิบัติเนี่ยที่ดีที่สุดเนี่ยเราโอกาสที่จะถามหลวงพ่อมีไม่มากแม้เราต้องรู้หลักที่จะช่วยตัวเองให้ได้เราคอยสังเกตจิตใจของเราไปนะกูศลอะไรเรายัางไม่ได้ทําอากูศลอะไรเรายัางไม่ได้ละเราคอยรู้ทันไปเรื่อยอย่งใจมันขี้โมโหก็รู้ทันตัวเองไปว่า ม, มันขี้โมโหรู้ทันบ่อยๆใจมันขี้โลภเพรรู้ทันว่ามันโลภนะ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 ถ้าเดินอย่างนี้เราจะเดินด้วยตัวของเราเองได้นะโอกาสจะมาถามหลวงพ่อมันไม่มากนี่เราเรียนกันเยอะพอไหวไหมนะเอาหลักนะจะได้ช่วยตัวเองได้ทุกๆสถานการณ์อตอนนี้หลงรู้สึกไหมหลงไปคิดนะจิตหลงไปคิดเราก็รู้ทันเอาอะต่อไปสมะนักศึาหลวงพ่อค่ะ เ, เคยมาส่งการบ้างของพ่อแล้วหลวงพ่อบอกว่าติดนิ่งอะคะอ่ะก็กลับไปปฏิบัติใหม่แล้วก็พยายามที่จะตามรูกายรู้ใจไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นแต่ก็ยังคงมีความนิ่งอยู่อะค่ะดีที่รู้ทันแล้วน ะ, ะแต่ก่อนนิ่งนึกว่าดีตอนนี้รู้รด้ยังว่าถ้านิ่งแล้วมันจะไม่เห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงน ะ, น ะ, ะมันไม่เดินปัญญาเพราะฉะนั้นทําความสงบนิ่งอยู่เนิเน่นช้าเพราะไม่เดินปัญญา เราไม่ให้นิ่งนานนะนิ่งพอมีเรี่ยวมีแรงแล้วมาดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเห็นไหมมันเปลี่ยนตลอดเวลาเห็นแล้วคะ่ะนะดูอย่างนั้นแหละแต่ดูไปดูไปพอมันฟุง้งดูไม่รู้เรื่องนะก็กลับมาทำความสงบพักผ่อนบ้างพักผ่อนพอมีเรี่ยวมีแรงไม่ให้ติดนิ่งนานนะพอมีแรงแล้วก็ออกมาดูกายดูใจมันทางานไปอีกนะามัสการหลพ่อค่ะโยนดีใจ หน้านี้โยมเคยปฏิบัติฮ อ, องยูประกาศแล้วก็ปีหนึ่งก็จะทําครั้งหนึงเดือนหนึ่งเลยเป็นเต็มทํา ท, ท, ที่บ้านนะคะ <c oughs> <ๆ>อันนี้านอจารย์ของลูกก็มรณภาพไปนานมากนี้ก็นานแต่แล้วก็เอ้ยเราอายุมากแล้วใกล้จะตายแล้วต้องรีบทำก็ที่วาเออพระเนี่ยท่านบวชกันแล้วก็ปฏิบัติทําให้สามเดือนนะลูกก็ สามเดือนนี้จะไม่พูดจะทาจะได้ดีไปเลยเนะคะถ้าทำสามเดือนพอเข้าเดือนที่สองครับค่ะเข้าเดือนที่สองลูกก็ไม่ทร า, าก็ถลันถลําเข้าไปดูอะค่ะอาจารย์ถลําเข้าไปดูก็ได้ยินเสียงเขาก็พูดจิตนะคะกลุ่แต่งเลิกมารู้มาได้ฟัง ดีๆของหลวงพ่อนี่ยจิตก็ปรุงแต่งพูดอะไรแย่ๆก็เลยหลงไปเชื่อเขาค่ะทำตาก็เหมือนคนบ้าเลยค่ะหลวงพ่ออย่าเชื่อนะมาปรุงแต่งก็มีสติอะไะแต่ว่าเฮ้ยทำไมเราก็นึกว่านฮ้อะไรเหรอเราเรารู้แล้วเหรออะไรแบบนี้แก็มาบอกอะไรอย่างนี้ยต่นหลังก็มันมีแต่ทุกข์นะะอาจารย์ทุกข์าในกายเราก็เต้นในเนื้อเนื้อในกายในกายนะคะอาจารย์มันจะระยิบละยับ เต้นท ci ั้งถูกแล้วล่ะมันกระแทกกระแทกหัวใจมันก็บีบเองลูกก็ทรมานมันหนึ่งปีเต็มๆแล้วกลางคืนก็ก็นอนไม่ได้ก็รู้สึกเหมือนกระจิตก็ตื่นตลอดอย่างนี้ะค่ะแล้วก็พอรู้มาได้ฟังซีดีหลวงพ่อลูกก็ดีขึ้นดีขึ้นพยายามรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวบ่อยๆร่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะ ความสุขความทุกข์เกิดขึ้นก็เป็นแค่ความสุขความทุกข์ใจเราอยู่ต่างหากนะจิตมันปรุงอะไรขึ้นมาก็แค่รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านนะไม่เชื่อเพาะนะไม่เชื่อจิตมันปรุงเก่งอาพิสังขารมานมันทํางานนะจากไปอะเพื่อเพให้เด็กลูกจะต้องปฏิบัติยังไงคะมิหารธรรมคนมิหารธรรมเราเคยดูท้องพองยบเราก็ดูของเราไปแต่อย่าให้จิตไหลไปอยู่ที่ท้องนะเห็ น, ร, นร่างกายมันพองร่างกายมีบจิตเป็นคนดู เห็นตัวที่ฟองตัวที่ยุงไม่ใช่เราหรอกนะแล้วจิตมันแอบไปคิดก็รู้ทันนะต่อไปก็จะเห็นทั้งกายเห็นทั้งจิตไม่ได้เห็นอันเดียวหรอกภาวนามีอยู่คืนหนึ่งรูปลู ก, ลกนอนหลับไปก็ป้ตีสามกว่ากัน ก, ก็ก็จิตเขาก็จะจะขึ้นมาฝืนหลักกระแทกหัวใจหลักกระแทกเลือ้อละกาันเป็ในการแล้วก็ลูกเอิบแล้วกี้ฝังหลพ่อมาพยายามอย่าให้จิตมันนิ่งๆนะพยายามหลุดออกจากความนิ่งๆให้ได้เลยแตก่อนดิ้น ก็ทรมานทีนี้ก็เลย ก, ก็มาดูเอ้ยเห็นเห็นเห็นจิตอ่ะเขาก็จะจะจะช่วยช่ว ย, ยเขาเองอกันเห็นเขาสวดมนต์านาจาอาจารย์ก็าสวดมนต <c oughs> ์ก็จับได้ว่าเี้ยนี่อะไรกระถาอะไรเนี่ยการนึกนใจเนี่ยนี่ยดูไปอย่างนี้ดูไปว่าจิตมันทํางานได้เองจิตไม่ใช่เราน ะ, ะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะในกายก็เห็นกายไม่ใช่เราอะไรเกิดขึ้นในจิตก็ดูไปจิตก็ไม่ใช่เราดูอย่างนี้บ่อยๆนะ อ่ะไปคนต่อบไปตอบครั ค, คุณ ก, กณ็ขอว่ามาพิธีการมพ่อครับเปฏิบัติมาได้สองปีครับแล้วก็เพิ่งได้มีโอกาสมาส่งการบ้านของพ่อครับคือครั้งแราที่ปฏิบัติเนี่ยลูกปฏิบัติไม่เป็นเลยนะครับแล้วก็น้างสมาธิก็ไม่เป็นพอได้ฟังธรรมะจากของพ่อแล้วของพ่อบอกว่ากายกับใจไม่ใช่ของเราเป็นตัวทุกข์เนี่ยอืม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 จิตแยกออกมารู้ได้บ่อยๆครับเออน ะ, ะแต่อย่า<อ>จงใจแยกนะถ้าเขาแยกเองไม่เป็นไรถ้าเราจงใจแยกใช้ไม่ได้นะพราะหลังจากนั้นม า, าสักหนึ่งเดือนพอมันเจริญขึ้นแล้วมันก็จะเสื่อมลงนะคะรับเออเราก็ทําสม่ําเสมอน ะ, ะ, ะเจริญก็ภาวนาไปเสื่อมก็ภาวนาไม่เลิกหรอกแต่เวลาเสื่อมมีเคล็ดลับอย่าอยากให้เจริญถ้าอยากให้เจริญจิตยิ่งดิ้นรนจิตยิงนนตย่งดิ้นรนยิ่งเสื่อมหนัก ถ้ า, ถารู้ด้วยความเป็นกลางแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วครับแล้วหลังจากนั้นก็มันเกิดความเบื่อหน่ายขึ้นมาครับเพราะเราเร า, เรารไม่รู้ว่าที่ฝึกมาเนี่ยฝึกเพื่ออะไรแล้วจะละความเห็นิดได้ยังไง อ, อะรนะเราดูไปสิเราเห็นขันมันทํางานแล้วนะเราเริ่มละความเห็นผิดว่าขันนี้เป็นตัวเราไปละขันมันทํางานได้เองเพราะเราเริ่มเห็นเนี่ยเริ่มเห็นความจริงนะใจจะเริ่มเบือ่อ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 มันมีความเย็นเหมือนมีก้อนน้าแข็งเล็กๆอยู่ในจิตอาการเออก็แค่รู้นะไม่ใช่ดีไม่ใช่ร้ายมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นก็รูกก็ติดอยู่ในนั้นอยู่ประมาณแปดเดือนนะครับโอ้ติดนานว่ะคือบอกว่ามันเย็นแล้วก็ทุกเย็นแล้วก็ทุกจนกระทั่งความรู้สึกว่าเราไม่อยากได้ความสุขแล้วเออถ้าอย่างนั้นไม่อย่างนั้นไม่เรียกว่าติดนะนึกว่าถ้าเย็นคงที่อยู่แปดเดือนถึงจะเรียกว่าติดถ้าเย็นแล้วก็ ทุกเรี่ยนแล้วก็ทุกไปดูเขาเปลี่ยนแปลงยังเห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่ใช้ได้เห็นนีมีตัวหนึ่งที่มันบานออกมานะครับ <ừ. S 2> เหมือนกับมันพอใจะครับอพอความทุกข์มากมันก็จะดีแคบลงเออนะโดยง่าย น, นะแล้วจุดที่ต้องระวังนิดเดืงคือเวลาที่เราเข้าไปเห็นไใน้น้ําแข็งเนี่ยหรือว่าเห็นทุกเนี่ยอย่าถลําลงไปดูดูห่างๆนะอย่าให้ใจไหลเข้าไปจ่ออยู่ข้างในถ้าใจไหลไปเกาะ อ, อยู่ตรงที่เย็นๆตรงจุดตรงเนี้ยมันจะติดอยู่ข้างในน ะ, อ, ะอย่าให้ติดอยู่ข้างในนะ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 ตอนนี้จิตยังไม่ยอมหรอกครับขอบพระคุณครับทำอีกนะทำได้ดีอย่าขี้เกียจ น, นะดูไปเรื่อยๆปฏิบัติบูชาคุณหมาว่าไปตลอดชีวิตครับสาธุนะบูชาพระพุทธเจ้าบูชาคุณครูบาอาจารย์มาสการหลวงพ่อเจ้าค่ะรู้สึกว่าจิตใจไม่ตั้งมั่นแล้วก็ยังไม่ถึงฐานนะคะก็ถูกถูกแล้วเนี่คิดว่าสมาธิที่ทามา ยังไม่เป็นสัมมาสมาธิอย่าไปคิดมากสินะ <c oughs> ไม่ถึงฐานก็รู้ไม่ตั้งมั่นก็รู้พุ้งสั้นก็รู้ท้อแท้ใจรู้ไหมทอแท้ <c oughs> นั่นแหละไปดูตัวนั่นแหละกำลังครอบงำเราการภาวนาเนี่ยนะเรากำลังจะหาทางพ้นจากทุกข์มันเหมือนไฟไม้บ้านะไม้ประตูไม้หน้าต่างไม้ไปหมดแล้วหลังควงหลังคานะ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 ไม่ใช่เราทำนิดนิดหน่อยๆน่อยหวังว่าจะพ้นแต่ไม่พ้นออกนะเพราะเวลาเราสะสมกิเลสเราสะสมมาตั้งนานใช่ไหมจะพ้นจากกิเลสพ้นจากโลกก็ไม่ใช่ง่ายต้องอดทนทำแล้วทำอีกอย่าท้อใจนะตอนนี้เป็นโรคที่ท้อสวนท้อเมื่อก่อนนาะมีคนมาบอกหลวงพ่อว่าครูบาอาร์ตอนนั้นยังไม่บวชไปอยู่บุญยาวาดมาบอกหลวงพ่อบอกว่าตอนนี้อาเขาทำสวนท้ออยู่ครับ เราบอกเยทำไมไม่ภาวนาไปทํามันทําไมสวนท้อ <c oughs> แต่ภาวนานะบางช่วงมันก็อดท้อไม่ได้แต่ท้อเราก็ต้องสู้เอานะค่ ะ, ะาการนมันสกา ร, รหลวงพ่อนะคะมาส่งการบ้านเป็นครั้งที่สามนะคะก็ภาวนาไปเนี่ยก็จะรู้สึกว่าจะรู้สึกตัวนานนานะหลวงพ่อเป็นไงรู้สึกตัวนานนาน เ, เหมือนกับ สติมันไม่ค่อยหายไปอะนะมันรู้สึกตัวนานๆเลยรู้สึกว่าอจะติดสมถะหรือเปล่าอะไรเงี้ยติดคือถ้าถ้ามันคงที่อยู่นานเนี้ยนะส่วนมากจะเป็นสมถะนะหรือไม่เราก็ประคองตัวรู้ถ้าอยู่อย่างเงี้ยอยู่ได้กี่วันก็อยู่ได้ทําจิตอย่างตะเกียะนะมันไปประคองไว้หน่อยๆอย่างเงี้ยสังเกตไหมจิตเราขนาดนี้ไม่เหมือนจิตตอนที่เรายังภาวนามไม่เป็นนึกออกไหม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 จิตประคองไว้น่ะไม่เข้าใจค่ะหลวงพ่อสังเกตไหมตอนนี้จิตขณะนี้กับจิตตอนที่เราภาวนาไม่เป็นไม่เหมือนกันตอนที่เราภาวนาไม่เป็นอ่ะจิตวิ่งไปวิ่งมาอย่างรวดเร็วเลยนึกออกไหม<ช>กลับไปเป็นอย่างนั้นแหละแต่เราต่างกับคนที่ภาวนาไม่เป็นตรงไหนคนภาวนาไม่เป็นเนี่ยจิตเคลื่อนไหวตลอดเวลาแต่เขาไม่เคยเห็นของเราเนี่ยนะจิตเคลื่อนไหวอ ย, อยู่ตลอดเวลาแต่เรารู้เราเห็นอยู่นะ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 ประจําวันก็จะรู้กายเคลื่อนไหวบางทีจิตใจเคลื่อนไหวเออถ้าเคลื่อนไหวใช้ได้หายใจขณะที่ฟังเห็นไหมเห็นไหมร่างกายที่หายใจไม่ใช่ตัวเราตัวนี้ดูออกไหมรู้ค่ะหลวงพ่อแต่ว่ายังแยกไม่ออกว่ามันเป็นความคิดหรือว่าเป็นความจริงอยู่ค่ะเราใช้ความรู้สึกเอานะค่ะแล้วก็จะถามหลวงพ่อว่าในขณะที่เราภาวนานอยู่เนี่ย น, นะคะ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 อีกอันหนึ่งใจของเราเนี่ยขาดศีลธรรมทุศีลอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ไปไม่รอดนะอีกอันหนึ่งเราติดเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะอีกอย่างหนึ่งเราติดสิ่งซึ่ ง, งไม่ใช่มนุษยนะ์เช่นเราติดความสุขความสงบจากการภาวนาอยากจะไปเป็นเทวดาอยากไปเป็นพรมอนะไรเงีนะ้ยหรือภาวนาอยากได้ชื่อเสียงเกียรติยศอนะไรเงี้ยติดสิ่งเหล่านี้ไหมนะไม่อยากได้ ไม่อยากไม่อยากเลยใช่ไหมไม่อยากเลยค่ะก็คือ <denly S 2> จิตใจเหมือนกับมันอยู่ในเรื่องของในเรื่องของการดับทุกเรื่องของการที่จะไปนิพพานทําให้แจ้งในช้ายนะออย่างนั้ น, ะะ น, น, นสดีจะวนเวียนอยู่กับเรื่องพวกนี้ตลอดอเลยนะเวลาวนเวียนกับสิ่งเหล่านี้อย่าให้ลงไปคลุกกับสิ่งเหล่านี้ mm hmm. ดูไปเรื่อยๆดูเหมือนดูค น, ด ค, นด ค, นนคนอื่นนะดูกายนี้เหมือนดูคนอื่นดูจิตใจนี้เหมือนดูคนอื่นเรื่อยๆใจของเรามันจะเคล้าเคลียร์อยู่ในโลกของความคิดไม่เลิก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 อย่าไปประคองให้มันนิ่งนะแล้วเวลาที่เรารู้สภาวะเนี่ยอย่าจงใจรู้ให้ดูสบายๆดูเหมือนเราดูละครอย่าถลำลงไปอยู่บนเวทีละครนะของคุณน่าใจมันยังถลำไปอยู่เวลารู้อารมณ์นะยังถลำไปรู้อยู่รู้สึกไหมอย่างขณะนี้ถลำไปคิดคิดไปก่อนแล้วก็รู้ว่ารู้สึกว่าคิดตามมาหรือมันมันไม่หลุดออกมาจากโลกของมันพี่มันคิดไปก่อนนะ้าใจมันเคลื่อนไปนะ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 ก็ให้รู้รู้อย่างที่รู้ตะกี้นี่แหละเมื no ่อกีああ <S <s ้ด like, ูออกใช่ไหมใจไปติดไอ้ความนวลนวลเนียนเนียนนั้นอะถ้าถ้าถ้ารู้น่้มันจะหลุดออกมานะแล้วถ้ามันเข้าไปติดอีกรู้อีกเข้าไปติดอีกรู้อีกฝึกอย่างนี้บ่อยๆในสุดจิตจะตั้งมั่นจิตตัวนี้แหละเป็นจิตที่หลวงปู่ดูลนท่านเรียกว่าจิตออกนอกนะมันไหลออกไปอยู่ข้างนอกไปอยู่กับความนุ่มนวลเนียนเนียนอะไรพวกนั้นถ้าเรารู้ทันว่าจิตมันยังเคลื่อนออกไปแล้วเนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้นมา แล้วตอนนี้จิตยังตั้งมั่นัหมคะเพราะไม่ตั้งสีิเพราะว่ามันจะไหลไปอยู่กับไอ้ตัวเนียนๆตัวเนี้ยนะให้คอยรู้ทันนะมันจะตั้งให้นมามนจะรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาเต็มที่ตอนนี้ดีขึ้นนะแต่ว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นหรอกค่ะค่ะขอบคุณค่ะพิธีาการหลวงพ่อค่ ะ, ะปฏิบัติมาได้เกือบสองปีแล้วค่ะก็ใช้วิธีตามรู้ตามดูในชีวิตประจําวันก็ <c oughs> คือดูแบบ หลงคิดไปแล้วก็ดูเพราะเป็นคนมีโทสะจริตแรง่ะืะก็จะดูตัวนี้แล้วหลังๆมานี่จะมีกิเลสดวงคือที่เป็นเซลล์อะค่ะคือหลังจากที่แบบได้ตำแหน่งหน้าที่การงานมาใหม่เนี่ยเซลล์มันก็จะเยอะขึ้นดีดีที่เห็นนะแล้วก็อตอนกลางคืนก็จะใช้วิธีการสวดมนต์แล้วก็ดูจิตตัวเองไปอะค่ะ ดีนะที่คุณฝึกอยู่ดีขึ้นเยอะเลยรู้สึกไหมมันใจเราโปร่งโล่งเบาขึ้นเยอะและ้วนะเข้าใจชีวิตเข้าใจโลกเยอะขึ้นะนะเข้าใจแล้วดีฝึกไปแล้วออต้องมีวิหารธรรมหรือว่าทำอย่าง<น>ที่เราทำเนี้ยนะเรายัางพัฒนาได้อยู่แต่ถ้าอยากช่วยตัวเองให้ไปได้ดีขึ้นม่องไวขึ้นเนี่ยแบ่งเวลาไว้ทำในรูปแบบบ้าง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 อะไรที่เราจะเอามาใช้ประโยชน์ได้เราก็เอามาใช้นะไม่ได้ไปคุยอวดท่านนะว่าผมเรียนกับหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลว่าอย่างนี้อย่าง น, างนี้ถูกไม่ถูกอะไรเงี้ยนะอย่างเงี้นะยสับสนตายเลยเพราะฉั้นถ้าจะไปเรียนที่อื่นนะไปฟังนะอย่าพูดมากบางคนพูดมากนะรู้นิดเดียวไปพูดเดยอะเลยทําให้สับสนไปหมดเลยนะครูบาอาจารย์ก็งงไปหมดแล้วนี่งั้นค่อยๆฝึกเอานะ จะเรียนอย่างหลวงพ่อก็ตั้งใจเรียนไปนชอบกรรมฐานแบบไหนก็เรียนแบบนั้นไปนะมันไปกันด้วยกันได้เท่านั้นแหละถึงจุดหนึ่งอ่ะแต่เบื้องต้นเลยมันไม่เหมือนกันหรอกนะอ่ะวันนี้เราใช้เวลากันค่อน ข, ข้างกระชับนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหลวงพ่อป่วยอยู่นะครับช่วยกันทนงานธาตุขันถือโอกาสนี้เป็นตัวแทนทุกท่านนะครับกล่าวําถวายเครื่อปัจจัยฐทา ย, ทยธรรมและทานที่ท่านนํามาถวายกันนะครับ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทยธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับสิ่งของเหล่านี้และเครื่องปัจจัยทายธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทินยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนตีสาคขรังเอวเมวาอิโตดินนางเปตานางอุปกปติ อิชิตังปฏิตังทุมหังจิปะเมวาสมิฉโตสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติราโสยถาสัพีติโยวิวัตชันตุสภารโอโควินัสโตมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคาโยโกภาอภิวาทนาสีริสนิจังวุธาปัจจายโนจัตตารุธรรมาวันตีอายุวันโนสุขัง พะลัง